ธจารวันนี้เราสวดธรรมจารเป็นบทสวดที่มีความสำคัญเป็นคำสอนบทแรกที่ทำให้มีการบรรลุธรรม เป็นแม่ของมนต์ทั้งหมดนะหมดหลังๆที่ท่านพูดแตกมาจากธรรมจกักรขปะวะสูตรส่วนใจเป็นผลที่ทำให้ชีวิตมันก็ถึง จุดหมายปลายทางสูงสุดก็คือการปล่อยการวางมีมูลหลุดพ้นจนไม่กลับไปทุกสภาพของชีวิตนี่ วนเวียน ส, สุทุกๆุกพอใจไม่พอใจมันอยู่เนืเป็นเป้าหมายทิมเป็นการเข้าถึงเป็นของพระอริเจ้าเป็นคุณธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นมา ทีนี้เหตุที่ทาให้เกิดผลเหล่านี้ตอนหลังท่านผู้เรียกร้ายบทเช่นสติปัฏฐานสูตรเป็นการกระทําสติปัฏฐานสูตรก็คือการเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมธรรมชาติต่างๆ การเห็นลาแสดงต้องมีตาที่มันตื่นแล้วก็คมชัดก็จะมีการกระทำกรรมฐานนี่แหละสมถกรรมฐานทิ่พานกรรมฐานนันเป็นการกระทำฝึกหัด ให้ใจิตใจของเรามันได้รู้ได้เห็นธรรมะหรืว่าธรรมชาติที่มันมีอยู่เป็นอาการที่มันแสดงออกเป็นภาษาลักษณ์อันนี้มันจะเกิดปัญญาต่าเลยวิปัสสนาเราจะดูการเคลื่อนไหวของกายลมหายใจเข้าออก การเดินยงกรมการนั่งสร้างจังหวะันเป็นรูปแบบการฝึกหัดปฏิบัติขณะมันมีสติจริงๆแล้วก็ปฏิบัติทางจิตเห็นจิตมันดูจิตเห็นสติมันดูจิตเห็นสติมันรู้จากตัวสติ สติรู้จักตัวสัญญัสติรู้จักตัวปัญญาสติมรู้จักตัวสมาธิสติมรู้จกักศีลสติรู้จักความรู้สึกตัวมันเห็นสภาพธรรมต่างๆที่ปรากฏเป็นอาการ ของรูปรรมของนามธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเห็นอย่างงี้เป็นการเดินทางขณะที่มันเดินก็ผ่า น, นเป็นทางผ่านอาริยมรรคในองค์แเป็นทางผ่านผ่านสุขผ่านทุกถ้าจะใช้ ก็ใช้ความสุขที่เป็นความสุขที่ได้มาโดยชอบคือบุญมัใช้ทำหน้าที่เป็นบุญคิดพูดทําเป็นบุญคิดเป็นบุญพูดเป็นบุญทําเป็นบุญเป็นความสุขเป็นความสุขตามที่สังคมก็ยอมรับตามขอบตามกฎกติกาหรือ ศีลศีลห้าศีลแปดศีลสิบสองรอีเจ็ศีลสามรสศีมีมากมายเหลือเกินศีลคือความเป็นปกติมีศีนมากมีศีลน้อยเราวัดได้เลยทุกครั้งที่รู้สึกศีลปรากฏทุกครั้งเ่อนไวรู้สึก ตาดูก็มีสีนได้หูฟังก็มีสีนได้จมูกได้กลิ่นลิ้เลิ้มรสกายสัมปัติจิตใจคิดนึกปรุงแต่งก็มีสีนได้สีนเกิดที่กายที่วาจาที่จิตใจปรุงแต่งมีสีน สัญญามีศีลเวทนามีศีลมันมีศีลได้ความเป็นปกติก็คือสัมผัสรู้สึกเฉยๆนะั่นนะรู้สื่อๆรู้เฉยๆเพราะ ก, การปฏิบัตินี่มันเป็นการเดินทางนะที่ตรงไปตรงมาด้วย มีศีลมีความเป็นปกติมันก็เห็นความจริงต่างๆมากมายที่มองลองปลา ก, กเราเวลาฝึกหัดปฏิบัติธรรมนี้เราต้องสังเกตวางกายวางใจวางกายกลางกวางใจกลางๆนั่งก็นั่งอย่างเป็นอิสระ เวลารู้สึกก็รู้สึกอย่างเป็นอิสระถ้าไม่รู้สึกอย่างเป็นอิสระบางทีมันมันเพ่งมันจี้มันจ้องมันคุมแล้วมันมีผลปริยาข้างเกียงต่างๆมากมายไปห้ามความคิดอย่างเงี้ยมันก็มีผลทำให้ความคิดมันหลบ ไปจ้องดูความคิดอย่างนี้มันให้ความคิดมันหลบความคิดมันไม่กล้าที่แสดงออกมาเราก็จึงทำใจเวลาปฏิวัติธรรมหรือใช้ชีวิตในโลกใบนี้อะไรเกิดขึ้นมาก็ได้ในทั้งหมด ไม่ได้เลือกที่รักไม่ได้มักที่ชัางแต่ว่าจะเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องต่อไปห้ามไม่ได้เช้านี้อากาศอย่าหนาวนะห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้ชาบ้านอย่าเปิดเครื่องเสียงดังแรงๆนะนห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้ หมดมแมลงอย่ามาตอมนะอย่าห้ามไม่ได้หัวใจอย่าเต้นนะไปสั่งมันไม่ได้นั่งแล้วอย่าปวดนะอย่าง่วงนะอย่าคิดนะจากหน่อมาหาข้างในตัวอย่าหิวนะ อย่าว่ากันนะอย่านินทานะอย่าสารเล่เสริญนะฉันไม่ชอบฉันชอบอย่าทําดีกับฉันนะอย่าทาชั่วกับฉันนะแม้ทางเราเองอย่าคิดดีนะอย่าคิดชั่วนะห้ามไม่ได้ต้องปล่อยมันให้มันแสดงวนต่อไปถ้าเรารู้ทันมัน มรู้จักมันตัวนี้จะเป็นตัวยานของปัญญาขนส่งความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวรู้สึกังันการเคลื่อนการไหวยับจยาบเนี่เป็นการฝึกให้จิตมันคุ้นมีหลัก มีที่ที่จะทำให้จิตมันมีกําลังเป็นกําลังของสติกําลังของสีสมนาิ ป, ปัญญามันรูน้แหล่งของอาการต่างๆเป็นความรู้สึกตัวอาการของรูปธรรมอาการของนมามธรรม อาการของกายอาการของใจมันก็รู้จักแล้วล่ะเกี่ยวข้องต้องเป็นการเกี่ยวข้องแบบสมมุติสัจจะทั้งการเกี่ยวข้องแบบปรมัภิษสัจจะเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นการเปลี่ยนแปลง ของสภาพธรรมตามเหตุตามปัจจัยเราเห็นผลที่เกิดมาจากเหตุเพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เพราะไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีสิ่งนี้เห็นเหตุ เป็นความชั่วทำให้ทุกข์เราก็ไม่ทำอีกต่อไปเหตุถ้าเป็นความดีทำให้เกิดความสุขสังคมยอมรับเราทำที่เหตุเรื่อมองเห็นว่ามเกิดประโยชน์จริงๆต่อคนหมู่มากต่อตัวเองในระยะยาวมันก็ลงมือทำ ความรู้สึกตัวนี่แหละนะมันเห็นว่าจะเป็นผลดีในอนาคตสมเร็จยากพบเป็นประโยชน์ในวันข้างหน้าเราทําเหตุปัจจุบันเนี่ยมันให้ผลในปนัจจุบันนี้เลยแล้วก็ให้ผลในวันข้างหน้าการที่ศึกษาทำ ม, มาแล้วก็มีพัฒนาการ ใน ส, สัมผัสธรรมยิ่งๆขั้นไปมันเป็นความละเอียดธรรมะความลึกซึ้งธรรมะเราจะต้องรู้แจ้งเห็นจริงมา้องสัมผัสธรรมตรงๆไปที่ปัจจุบันกันนะเฉพาะหน้าเฉพาะหน้านัา่งเดินยืนนอนรู้สึกตัวเกี่ยวข้อง ในวิธีหลวงปู่เทียนเนี่ยนมันเห็นความจริงที่เราชอบทุกขเพราะความคิดเนี่ยคิดละวหลคิดละกอดคิดแล้วหลงคิดละเป็นโมหะเป็นโทสะเป็นโลภะเป็นอาการทางจิตจนทำให้เราได้เหมือนกับมีภาระ มีกายก็มีภาละมีใจก็มีภาละทำให้ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มั่นใจในตัวเองทำให้เกิดความสงสัยทำให้เกิดปฏิกิริยางงๆงสับสนในชีวิตจนชอบพูดว่าบางที อยู่ดีๆชอบถอนหายใจนะมันมีความทุกข์เกิดขึ้นมามันจะหาทางผ่อนคลายบรรเทาแก้ไขด้วยตัวของมันเองถอนหายใจอกี่โมงแล้ววะอจะกินอะไรดีวะอืมเมื่อไหรจะเช้านอนไม่หลับ ต่อไก็พูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้พูดอย่างโน้นมันมันแก้ทุกมันเหมือนก็เป็นอย่างนั้นนะชีวิตของมนุษย์ที่ความรู้สึกตัวยังไม่ชัดเราถึงต้องฝึกให้ความรู้สึกตัวมันชัด กาตัวที่จะชัด ก, ก, ก็คื อ, นะอรู้เบาๆการยกไม้ยกมือนี่เบาๆก็รู้เบาๆมจะละเอียดแล้วก็แยบใครมันจะมีความลึกซึ้งรู้แบบดูๆเนี่ยนะนะมันจะรู้เบาๆแต่รู้แบบจะเอามันหนักมันจะลุกลี้ลุกลน เคลื่อนมือก็จะไม่เหมือนกนว่ามีความรู้สึกตัวที่มันชัดจะเห็นว่าบางทีเดินยังรมไปโทรศัพท์กันไปก็มีนะบางทีเดินยังกรมไปฟังสาวเบาไปก็มีนะฟังไปด้วย ในเพลินนี้ไม่ชัดหรอกแต่ใหญ่ชัดจริงๆนก็คือเดินแล้วก็มีแค่กายกับสัมผัสรู้เวลาเคลื่อนไหวนสัมผัสรู้รู้สึกสัมผัสรู้รู้สึก่มีเสียงทางตางนันหูเข้ามาแล้วก็ฟังอันนี้แสดงว่าฟังเจวความเพลินหรือว่าฟัง เอาความรู้จากการฟังมันไม่ได้เอาความรู้จากการกระทํากรรมาฐานก็เห็นอยู่บางคนก็เดินไปสาบ้ากันในหูไปโทรศัพท์แต่เนี่ยก็เก็บข้อมูลได้เยอะมากโหลดคาเทศคําสวดคำสอนเวลาทํานี่ไม่ต้องใช้อะไรหรอ ก, ก, กอุปกรณ1หน45ใช้กายที่มีนี่แหละ เกินไหวรู้สึกใช้เท้าที่มีเนี่แหละมือที่มีเนี่แหละลมหายใจที่มันมีอยู่แล้วเป็นอุปกรณ์พอเพียงแล้วว่าแต่ว่าขณะที่เราเห็นอาการเกิดขึ้นมาเนะ่เราชอบไม่ชอบเราจะห้ามอันไหนไม่ชอบก็จะห้ามอันไหนชอบก็อยากได้ไปเป็นธรรมะตัณหาธรรมะความอยาก วาดฝันไว้ธรรมะจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนูนมันไม่มีหรอกธรรมามันกำลังเป็นอย่างที่มันเป็นแต่เราไม่เห็นมันเนี่ยขณะต่อขณะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะมันเป็นการเดินทางเห็นทุกขนเห็นแห่งทุกก้าวล่วงออกจากความทุกข์ได้เหมือนกับ องสมเดชสัมสมาสัมเจ้าเคยสอนหลังจากที่สอนธรรมจั ก, กรลัคนาสูตรจทั้งภัญญากุัญญาบรรุธรรมหลังจากนั้นท่านได้พูดถึงอนันตากรกษณะสูตรขยายออกมาจากธรรมจักรใบ ล, ละเอียด ทางท้ายสุดพระอาศชิบรรลุธรรมบรรจารีก็คือ5คนนะพระอาศชิคือคนสุดท้ายที่มีการบรรลุธรรมโดยอนันตารกนสุดนอกจากที่พระอาศชิบรรลุธรมรมก็ดเดินบินบาบัดตอนเช้า อยู่มาวันหนึ่งได้เจอกับภาษาลีบุตรภาษาลีบุตก็โอ้ทำไมภาะรูปนี้มีความงดงามหลังจากที่ตกลงกับพระโมกรลานะสวงหาคุบาอาจารย์เราจะมาเป็นหล่มเจ้าสมรลนต่อไปนะมันก็เบื่อละ ว, วันนี้เราเบื่อแล้วเกิน ออกแสงหาครูบาอาจารย์ถ้าใครพบครูบอาจารย์ที่ดีกลับบ้านไปบอกแม่ของเราด้วยถ้าเรากลับบ้านแม่เราคงจะบอกว่าเพื่อนนมาบอกว่าอยู่ไหนเราก็จะตามไปพรโมโอกลาภาษารีบุตรโคริตาอุปติสะปิติสะต่างคนต่างเดินทางไปหาครูบาอาจารย์ภาษารีบุตร ไปเจอกับพระอสชิก็เลยถามว่าโอ้ท่านรู้ธรรมอันใดใครเป็นครูอาจารย์ของท่านดูงดงามน่าเรอมใสพระสชิก็เลยบอกว่าเราเป็นพระบวชใหม่ผู้รรมาไม่ได้ ซาลิเบอก็เลยบอกว่าถ้างั้นบอกเราน้น้อยก็พอให้ที่มันจำเป็นที่มันสำคัญที่สุดพูดน้อยก็ได้ <c oughs> หรือจะพูดมากๆก็ไม่เป็นไรปดบอกเราด้วยถ้าชี้เลยพูดว่าเย่ทามาเหตุตุปปาวา เตสันเหตุตัากโตแต่สันจากโรนิโยโธจากเอวังบาทีมหาสมโนทุกๆสิ่งเกิดแต่เหตุทุกๆสิ่งนเกิดแต่เหตุเหยาธัมมาเหตุปปาวาแต่สันเหตุตัตะกโตพระองค์ทรงบอกนะสาเหตุ ของการเกิดแห่งธรรมเหล่านั้นและทรงบอกถึงสาเหตุของการดับไปของธรรมเหล่านั้นมหาสมณะมีวาทะอย่างนี้แหละเอวังวาทีมหาสมโนประโยคเนี้ยทำให้ภาษารีบุตบรรลุเป็นพาริยะชั้นต้นบรรลุทันทีเป็นปัสโซดาบันหลังจากนั้นก็ ไปเจอกับพระพุทธเจ้าไปพักอยู่ที่เขากิจกูดเ็นจากกิรินกรเมืองราชคือแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหรันต์หลังจากที่ฟังธรรมจากครูรง ให้ประโยชที่ว่าทุกๆสิ่งเกิดแต่เหตุถ้าจะดับกดับที่เหตุนก็คือเนี่ยเรารู้สึกตัวนั่นเองเหตุ็นความทุกข์เกิดจากความคิดคิดล้คิดจังคิดโลภคิดกดคิดหลงคิดสุขคิดทุกข์คิดไ้าหาคิดแล้วก็โกรธตนคิดแล้วว่าอกตัอยู่คิดแล้ว่ามีาการโอวคิดแล้ว่า เห็นกก่งจักเป็นดอกบัวเห็นผิดเป็นชอบทั่นการที่มารู้สึกตัวนการดับที่เหตุเลยออกมาจากความคิดทุกครั้งที่รู้สึกตัวว่ามีการเดินทางเกิดขึ้นมาภายในจิตใจของเราสู่มรรคสู่ผลสู่นิพพาน เป็นเป้าหมายสูงสุดของการที่เราได้ชีวิตมาเกิดเป็นคนไทยพระพุะาศาสนามาวัดว่ารามปฏิบัติธรรมฝึกสติเป้าหมายยริงก็คือไปสู่พระนิพพานด้วยความเย็นอกเย็นใจจิตใาสว่างสงบมีความมองไวเป็นไวพิปติพา์ มีมาตรฐานของจิตก็คือปกติต้องเหมากับการงานการคิดการพูดการทำเป็นธรรมชาติไม่เป็นกรรมดีกรรมชั่วเป็นกรรมฐานตื่นขึ้นมาก็ตื่นด้วยกรรมฐานรู้สึกตัวเดินมาทำวัดก็เดินจงกรมเมือนกรรมฐานสวดมนต์ทำวัดสาธยายมนต์ก็เป็นกรรมฐานฟังเทศฟังธรรมก็เป็นกรรมฐาน <c oughs> จะไปทํากับข้าวก็เป็นครัวกรรมฐานรับทานก็เป็นกรรมฐานเรียกว่าฉันจะทําอะไรก็เป็นกรรมฐานเลี้ยงลูกกรรมฐานเร็วๆนี้หลวงพ่อก็ได้พูดเหมือนกันปฏิบัติมันก็จะต้องเห็นเองนี้นะ่ะ มันไม่ได้เป็นกรรมดีกรรมชั่วทําอะไรก็เป็นกรรมฐานเหนือดีเหนือชั่วก็คืออยู่ด้วยความเป็นปกติไปแต่ว่าก็จะต้องฝึกหัดในในรูปแบบให้มากๆจนจิตมันได้มีประสบการณ์มีพัฒนาการเห็นรูปเห็นนามเห็นบุญเห็นบาปเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นสุขเห็นทุกข์ เห็นจนจำนานเลยเกี่ยวข้องถูกต้องได้อย่างว่องไวรู้ปั๊บตัดปุ๊บเนี่ยคิดปั๊บตัดปุ๊บเนี่ยมันในรูปแบบมันเป็นในสถานที่มันเป็นในเวลานี้มันเป็นนอกเวลามันก็เป็นนอกสถานที่มันก็เป็นนอกรูปแบบมันก็เป็นทำเป็นมันเป็นธรรมล้ ว, ลวเกิดอัตโนมัติขึ้นมาแล้ว ตรงนี้มันหายสงสัยไม่เอาไถามไข่มันหยุดการสแสวงหาหยุดสแสวงหาวัดวาลามหยุดสแสวงหารูปแบบปฏิบัติหยุดแสวงหาครูบาอาจารย์หยุดสแวาาดสแวงหาความทุกข์เข้ามาใส่ตัวมันหยุดมันเห็นทิศเห็นทางมันไม่ยอมเสียเวลาหรอกทำอะไรที่มันเสียเวลา พอมันได้เวลามาก็ต้องเอาประโยชน์เ อ, ชนากกาชเอาประโยชน์จากการมีชีวิตเอาประโยชนจากการเข้ามาศึกษาเรื่อเรียนธรรมะเพราะนั้นเราเห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นมานั่นมันเป็นอุปกรณ์ที่ดีไม่ห้ามนะไม่ห้ามเปิดๆ เ, เลยเปิดใจเลยอะไรมาก็ได้เราพร้อมที่จะรู้สึกตัว พร้อมที่ยะกลับมารู้การเคลื่อนไหวที่กรมรมฐานที่ตั้งไว้ตั้งแต่เบื้องต้นก็ได้กายเคลื่อนไหวใจรู้ตัวนี้จังใจมันเคลื่อนไหวมันก็มีสติรู้เหมือนกันเมื่อสติมก็คือการปรุงแต่งชนิดหนึ่งแต่เป็นการปรุงแต่งที่ทําให้เราไม่สุขไม่ทุกข์แล้วก็เป็นเครื่องมือที่ดีในการที่จะเดินทางสู่การพ้นทุกข์ เป็นญาณของปัญญาเป็นญาณที่จะขนส่งปัญญามาใช้ได้อย่างถูกต้องต่อไปคือสติปัฏฐานสี่ฐานสติเห็นกายสติเห็นเวทนาสติเห็นจิตสติเห็นธรรมรเจ้าจึงสอนว่าธรรมะที่เรารู้นั้นมากมายเหลือเกินแต่ว่าสิ่งที่เราหยิบเอามาสอนเหมือนกับใบไม้กำมือเดียวก็คือมหาสติปัฏฐานสุด หว่าเราเคยได้ยินได้ฟังนะพระที่ดังๆอย่างเช่นหลวงปู่ชาจิตาภพบอกว่าเออทำมาปฏิบัติเนี่ยเราไม่เอาอะไรมากมีตัวสติก็พอแล้วหลวงปู่เทียนก็พูดไว้ชัดออรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยก็ถ้ายังมีความรู้สึกตัวอยู่ก็พอแล้วแต่ความรู้สึกตัวมันมีตั้งแต่อยากไปหาละเอียด สติน้อยๆไปถึงตัวสารพางกายถึงความรู้ที่มันรู้รอบกองสังขารตรงนี้เพราะนั้นมันจึงคือการเดินทางผลของการปฏิบัติธรรมก็คือคำตอบที่เป็นเกณฑ์ชีวิตชีวิตของเราว่าชีวิตเราเสียเวลาอยู่กับเรื่องอะไร ซึ่งแบบโลกโลกเป็นแบบปุตชชนหีโนเป็นความเร็วต่ำสามเสื่อมหรือว่ามันเป็นเรื่องของกรรมมณโยเหมาะแก่การงานมีความรู้เนื้อรู้ตัวทั่วพร้อมทำหน้าที่ให้เหมาะสม กับชีวิตของเราตามสมมติบัญญัติที่เราพึงกระทำต่อกันอย่างเช่นทิ่หกเนี่ยนะทหกพ่อแม่วางหน้าสามีลูกภระระยาไว้ด้านหลังครูบาอาจารย์ไว้ด้านขวามีสายไว้ด้านซ้ายบริวารไว้ด้านล่างเรียกว่าทำหน้าที่นั่นแหละ เกี่ยวข้องตามสมมติบัญญัติต่อไปความรู้สึกตัวแต่ละกณนะเราก็จึงต้องรู้จักรู้แจ้งแล้วก็รู้จริงๆเลยนะรู้จริงๆมันจริงเนะ่มันเป็นสัจจาวามจริงเนะ่ยแล้วจบให้เป็นแต่ละขณนะแต่ละณนะ เกลนหยุดเกล่อนหยุดรู้สึกรู้ปล่อยรู้วางเราสัมผัสกับความว่างแะสบายเป็นอิสระภาพนะความสุขจึงหาไม่ยา่างขณะเดียวขณะเดียวไปเรื่อยๆนะเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าอาะวันนี้ก็พูดธรรมะที่สืบเนื่องมาจากการสวดธรรมจักวรรสูตรในการทำวัดสวนบรรเนีย ประโยช์ก็หาความจริงขณะ น, นี้ที่เป็นธรรมจักรจริงๆที่หมุนทำให้เราเดินทางสู่การพ้นทุกข์ก็คือก้าวหนึ่งก้าวหนึ่งของความรู้สึกตัวในปัจจุบันกันนะก็ขอให้พวกเราได้สัมผัสแั่สภาพธรรมที่กาลังปรากฏตามส ม, มควรแกร่การปฏริบัติธรรมสามารถเดินทางพ้นทุกข์ในเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตที่เหลืออยู่ เข้าถึงเป้าหมายสูงสุดก็คือทำที่สุดแห่งกองทุกสำเร็จหรือทัวร์นาการทุกท่านทุกคนทั้นเธอ